กำหนดวสวิธีจนะด้ข้อนะครับน้อยกันสื่อเราทิศูรูปใจกดเครืองไม่พอใจพึงให้การตบตีแก่ทิศุต้องอาบัดปานิตีตบตีนั้นกระทบไปแม้แต่สัตว์รักษาเป็นอย่างต่ำต้องผู้กดนะครับคำว่าตบตีใช้มือก็ดีอวัยวะร่างกายก็ดีนะกายก็ดี ของเล่นเล่ยกายก็ดีนะครับหรือไม่ใช้ของโยนก็ดีนะครับอันนี้ก็ต้องแบบไปดีเท่านั้นนะครับใช้กายก็เอาใช้ของเล่นกายก็มีดใช่ไหมนี่ไงไม้ไม้คออย่างนี้ยครับถ้ามีนักฟันนะข้า่นนะรับมีไม้คออะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเปียกในก้อนดินหนึ่งอย่างนะเพียกในไม้นะครับก็ต้องอาบนะครับไปดีเท่านั้นนะครับไม่ได้ ฆ่าต่อยกั น, น, นอย่างเนี้นะโกรธเครืองกันหรือว่าใช้ไม่รู้เรื่องลเลยออกเล่นอะไรท่อนอย่างนี้ต้องแบบไปตีเลยเขาไม่ได้ไปตีรุวก็วาาะสับรนกกเสานนะแตับครับจยุ่งก็เป็นตัดสินใจจบดีไม่เป็นปัดสินใจไม่ใช่ฆ่าสั่นอันนี้ไม่ไร้ฆ่า<ช>นะครับอันนี้พูดถึงตบตีไม่พูดถึงฆ่านะคร<อ>ับถ้าฆ่าเปอีกเรื่องนะถ้ะเราฆ่าคนเดี๋ยวมึงปาราชิกนะใช่ไหมครับ ถ้าตบตีเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อแขก็ไม่ได้ครับตบเล่นๆนะครับ <c oughs> ตบเล่นๆมันเป็นการเนี่ถ้าตบได้เนี่ยคือแม่ไม่ต้องนะครับตรงนี้องก็ต้องมีความโกรธด้วยนะก่อนเครลิงนะครับองแต่ถ้าเล่นกันอย่างนี้มัม่โดนนะครับก็ดูว่าจะแย่อะไรนะจี่หัวเลหรือเปล่ามาดูตรงนั้นหรือว่าจาับด้วยฟานกำหนักรึเปล่ามาดูที่ถ้าไม่เข้าก็มีโดนนะครับ อู่ก็รักนอันนี้นะครับมีมันใครมีอยู่ถือว่าถ้าไปตบตีนะที่จะตบตีแต่ท้าไม่เข้าตายนี่นะครับก็ไม่ต้องประราชิบน ะ, ะอย่างมากก็ต้องต้องเอาไปตีเหมือนกันครับมันมีที่น ะ, ะเขาจัดงานอยู่ในผ้าดูร้อนนะครับและในผ้าดูร้อนแบบรื้อซนมากเลยน ะ, ะผ้าที่เลียกนึงบรรดาโทรสารแล้วก็จัดเลยนะ เนมันนือมาก้างอะไรไม่ฟังครับก็หลยตบหัวเนไปอย่างแรงเฮียนะเนมคอหักตายแทบคอหักตายนะท่านไมได้กินยาานครับที่จะตกตี้เฉยๆนะครับเรามันไปพลิกล็อกพลิกห้างก็ไีนะครับเนี่ยคอหักตายเลยระวังคอนเทนตเย ไม่มีไม่มีนะครับแต่ว่าแต่บางที่เนี่ยคมีที่ท้าทักตีกันต่อยงก็มีนะนะครับแต่ถ้าไวรุ่นท่าหนุ่มคุยก็ไม่รู้เรื่องนั่นทะเลาะกันแล้วก็ตกตอตี้ยแต่ว่าเราเนี่ยไม่เคมีครับที่จะไปต่อยแต่งตีไม่เคยมีนะถึงจะทะเลาะกันตบบาดท่าัไงก็ยังไม่เคยมีนะครับอันนั้นมันยากเกินไป แต่ที่ไปทำไยเนรก็มีนะเคยีีาทงกรเลยครับอันนั้อเอเนเขาเขาเล่นการอไรเเล่นกนเกนนะ ท, ที่แทเงินนะไ่ด้ดลย<แ>ไม่ใช่แล้วก็อีกคนเขาโอนอีกคนเขาโอนมันไม่ใช่เรื่องนะครับไม่เขาไม่ได้แข่งแข่งกันแต่นแล้วเขาก็เกิดชุนขึ้นมาเนี<อ>่ยเขก็เล่น ไม่ใช่เรื่องผูงอ่างขาแต่มันมีที่ตรนั้นหละพระรูปนั้นนะใช้เขโก้เขาโกท่านนะครับและเขามีมาแทงใช้ก็เอามือล้นานนะ่บานะครับเยอะเลยนะแลวท่านก็ย้ายมาที่นี่ครับตอนัตอนนี้มีอยู่ทนไปนานแล้วะทีหลังก็สึกของไปแล้วก็มบานนบวชในั่นมีนะแต่ที่อีมันมียอดที่เราไม่ค่อยมีนะครับต่อไป เรามาดูต้นไม้ขงงจากครั้งพระาปัีนะครับในสมัยนั้นเพิ่งมาขาพระเจ้าประทอยู่หพระเชษวันอารามองนัดบิธิกาข้ามปฎิเคตพระนครสามวัทีครั้งนั้นพรจปกีโกรน้อยใจให้ประหานแก่พระสัตรัสวัคีพระสตรัสวัคีร้องห้างนะครับคืออย่างนี้นะพระจปัีเนี่ย แกก็ใช้งานนะครับถ้าศัตระสมัยกีพ้พวกนี้เป็นเด็กใช่ไหมอ้าวมานี่มันตั้งตังล้างเท้าหน่ะนะเขาจะมีตังไว้ล้างเท้าใช้ไมครับเชื่อมันยืมบตังแล้วก่อนน้ำล้างเท้าไปเอาตังมาเอาน้ำนํำล้างเท้ามาพวกนี้ก็ไม่เชื่อฟังก็ไม่ทาตัาครับเหนี่ยว่ า, ยางยากนั้นใช้ไม่ได้ที่มันตบหัวพยาก <c oughs> พวกนี้ก็เป็นเด็กน้าร้องไห้งงเงันครับนอนตบนั่งไม่ได้ มันเด็กั้นแรกผู้ใหญ่ใช้ไม่ได้ไมเคนะครับแต่ละวันแต่ลแลวันต่ละวันแต่ันตะวันแันต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ละนละวันต่ละัะวเนต่ลันแต่ละวันแต่วันแต่ละวันแ่ละวันแต่ละวต่ละวันต่นแนแลนแ่ลน่นน่่นั่ััตนนนะ เราพระสุระสสวเกีนั่งท่านะครับเนี่ยแต่ละฝ่าก็ตายไปอืมพระสุรัสสวรกีต่อว่าอาวุโสทั้งหลายพระสุรัสสวรีเหล่านี้โกรน้อยใจให้ปัญหาแก่พวกผมนะครับบรรดาผู้จุดที่พูดมางน้อยสำโดตัง้งว่าแพ้งีุ่่นเตรมพุทธนาว่าฉไนก็สก็ัสสวรีจึงได้โกรน้อยใจให้ปัญหาแก่ผู้จุดทั้งหลายแล้วนะครับ แล้วก็กาบลื wiem, ่นนั่นแตท่มาพาดจ้าพผู้ที่มอก็ทรงสอบถามทรงสิดเกมพระศพีแล้วก็บัะญยัติขาบทนี้ขึ้นมาออมีมีที่มีเาเคยได้ซังเขาบอกว่าในที่ประเทศพม่านะครับโอ้ er ow, สุดปฏิโมกอกันนี้โอ้ได้เราเยอะเลยนะองนั้นองนี้ก็ได้กันนะครับท่านก็เลยท่านก็สงสัยทำไมเนี่ยได้ได้จริงๆครับท่านก็ดูตองคืนนั่งตรงคืนมานะครับ ท่าก็ไปดูคล้องนะท้านได้ยินเสียงพ่อเพียพ่อ <laughs> พอิดข้อตอบว <laughs> ่าไง <laughs> บางท่านเรีนต้องหนังสือนะท่าเลยเข้าใจเลยอ๋อแล้วทาไมนในค้องได้ <laughs> <laughs> ไม่ยอขนาดนั้นนะจะ <laughs> ไม่ะมะให้ได้ได้ยังไงครับ <laughs> อย่าไปพูดเลิมครับ ไ, <laughs> ไม่ได้ไม่ครับไม่เราไม่ทำแน่วอน มันใหญ่มีการเบียนเบียนสั่งนะครับไม่ควรทําอยู่แล้วแม้แต่ซื้อกระชากนะหนัไม้แมงยังแบบี้ม่ควรจะตีเลยนะจะมาตีผ้านี่ยในการมันใหญ่ใหญ่ม า, า, า, มากแนะะ่นอครับไม่ควรหรอกข้อทางรอบก็บอกว่าล้างอูให้ผูกล่าลูกให้ตีใช่ไหมแต่ทางทำนีไม่ได้ไครับไอตีโดยทำโดยแม่ตาอะไรไม่มีนะครนี้ตีเราก็รู้ว่าเขาจะต้องเจ็บใช่ไหมันไม่มีหรอกนะครับไม่ได้นะ ที่ถ้าเราเรียนทำยี่วิเนียก็ต้องรักษาตามทางวิหนีด้วยาจริงๆเป็นการลงโทษเนี้นมันดื้ออะไรใช่ไหมแล้วรอกษาตามทางวิเนียนะครับให้ธนกรรมคนแล้วผลตายทํางานอะไรดื้อมากไม่ฟังใช่ไหมเราก็ไล่ไปแบบอย่างมากธนกรรมใช่ไหมเขาธนกรรมหรือว่าต้องผิดศีลใช่ไหมครับถ้าข้อเนี่ยได้และก็ไม่สํานึกมม่อะไรแล้วก็ไล่จับติดไปอย่างมากแค่นั้นนะครับไม่มีการมาตกมันดีมานทำร้ายไม่มี ไม่ใช่ครับไม่ใช่ในทำวินัยเนี่ยจะทำให้ก็ถ้ามาเด็กเาบอกว่าเราเรียนคำตอเนี่ยโอ้คิีดเครี้เกินเอะไรก็แล้วแต่ไม่เครียแล้วก็ครูให้คะแนนโอแต่นี่ก็เลยปายใหญ่เป็นอะไรทําบก็ไรู้กคงเป็นอะไรตอนั้นไปไปสูงเลยคำตอบคำตอบกิดยังใครมาหนิไหมครับเคยมาจะบอกว่าไม่คุยกันต้องโบล เรรถึงนั่ตอนนี้อยู่ที่มาตอนนั้นใช่ไหมเข้าก็มามสามรูปนะพี่สงสันใช่หชอรู้จักไหมผมก็บอกเขาได้ยินว่าเขารูปไม่ดีของเธอผมก็อได้ยิน่ขรูปไม่ีอ แต่ผมไม่เห right. ็นคนไผมเคยเห็นไหมครับไม่ไม่รู้แต่แล้วแล้วไม่เคยเห็นไม่ชอบการการเคยเห็นยังรู้สึกทำวัดก็ว่ามุกอ่อนอยู่อาคารปริยานะมาสามนายนะเกเเรอหัวล้านๆเลยคือที่อยู่คืออ๋อทำหน้านะเปลี่ยนสีอ่ะอ๋อเนี่ยเอ รู้จักรู้จัรู้จักรู้จักอ๋อเมืก่อเข้าเข้าเคยไปดิ้นจั่แน่หมครับเมือลารู้จักเจอเจอตั้แต่ที่จั่งแดงปวดแค่ใบปวดเท่นันครับแต่คุมองแค่ดีครับอืมวเขาบกเขามงมิชการมากเลยโดยโดยไม่ธรมามาดูว่าทีนี้ก้าวขาดูความที่บายที่ม่อย่างนี้หน้าอะไร สองอาสิบเก้ า, น ะ, า, ะ า, า น, นะครับข้อที่สี่นะอธิบายปัญหารัสขาบทนะครับนี่แต่มันมีนาที่แบบทรมานพยานานะครับมันมีนียอันนั้นทานไม่ได้กอดพระลาร อ, องคุลิมาใช่ไหมไปทรมานพยานา น, นี่อันนั้นก็มีเป็นพระงคุลิมาเหรอไปทรมานท่านกลกลายเป็นพยานาตัวนึงที่ใหญ่กว่าเมือนผ้ามากกว่า ไปรับตัวพญานาคใช่ไหม น, น, น, น, น, หนันทปนันทนาคาราใช่ไหมครับจนพญ า, านานอ่อนแพ้นะพระโมกขานาะคนันแหละแล้วแล้ถ้าเป็นพระอรนันแ้ไม่มีนะครับกดแล้วไม่มีะครับอธิบายปหราริกขาบท น, นคะครับพึงทราบอธิบายสิกาบุที่สี่ต่อไปคาว่าหารังค์เถยะนี้เพราะพิสุทต้องการจะตี เมื่อตีแล้วถ้าผู้สู์ที่ถูกตีเกิดเสียชีวิตไปผู้ตีต้องแ บ, บแกรับจิตตีเท่านั้นเพราะจิจนั้นเขาจะเรียกว่าอะไรนะทำน้ำร่างกายใช่ไหมครับทางโลกนั้นก็มีนะเวลาเขาเอาเรื่องใช่ไหแต่คดีว่าฆ่าหรือว่าทำาน้ำร่างกายใช่ไหมครับถ้า่าร่างกายโทษจะเบาหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าฆ่านั้นก็จะหนักเป็นอะไรในคะดีที่มีรุนแรงอะไรแนี้นี่ก็เหมือนกันนะ ว่าเจยนาของผู้ทำครับทำด้วยความประสงค์ยังประสงในตีก็าไปตีใช่ไมถ้าประสงในค่านะครับต้องตายถึงเป็นบาชิตนะครับเหมือนกันตอนนี้ความ่าครู้ีลัเบียนล้ครับเขาเล่าเลิใช่ไหมเรีนัีนัเรียนดีมากใช่ไหมครับที่บ้านโรงเรียนเ็าใช้วิธีให้นักเรียนวิ่งรออสนาม เมื่อก่อนมีครูคนตีทักเรียนตีเจ็บมากนะแต่ไปโรงเรียนน่ะมีครูคนนี้คนนี้ที่ตีผมโดนลอกให้นะครับครูคอื่นไม่เคยมีขนะนี้นะเพราะว่ามีใครตีอแบบแรงขนาดนี้นะครับแต่พอ ด, อดีไปเจอลูกน้องผมเป็นผู้หญิงด้วยเขามายอให้ตีนะครับแล้วเด็กมันวิ่งคล้องนะเด็กวิ่งรอบสนามเลยครูก็ไล่ตี <c oughs> ครูไล่ ย, ย, ย, ยังครูเหนื่อยครูไล่ไม่ทันหรนะครับ เด็กก็ไม่ยอมให้ตีหรอกวิ่งนี่เจอแบงนี้ครูก็โอ้ไมู่้จะทำไงคนอื่นย้างยอมให้ตียอมให้ตีใช่ไหมเด็กนี้เขาไม่ยอมครับไฟนะเหตุเกิดล้วประเทศอาบันครับสิขาบี้พุ่งพระางจ้าทรงปลกพิสุจนปกะคีในเมืองสามวิถี บรอย่างไปแล้วต้องเห็นคือการตีที่สุดนะครับเป็นสามเาหน้าบรรยัติครับอณัติกาไม่เกี่ยวกับการใช้นะใช้ก็ตีก็ไม่เป็นนะต้องตีเองนะครับตีเป็นอันวัดนะตีกะไปตีนะครับตีกาไปตีคืออะไรเปประสัมบัญเป็นแท้นะเข้าใจงใส่สมบัติไปตีต้องต้องอันวัดนะครับตีอย่านู้นปสัมบันญก็เป็นตีกาทุกกฎนะครเ้นเข้าตีไม่ได้นะ นี่ทำไมไม่ช่องเนี่ยเพียเลยบอกยเคียงนั่งใช่ไหมเพียอะไรต้องอาบัตนะครับมันเป็นกุศลอกุศลนะกุศลกรรมให้ผลได้อท่นั้นนะไม่ได้นรับมันเป็นกุศลไม่ให้ผลได้ครับนี่เลยนะครับที่สุดมีความประสมยังทาให้เสียโฉมจิงตักหงเป็นต้องโอ้ยของผสมบันนะครับหลอนักที่ไหมเงี้ยครับล้างหงเลยครับ ต้องอานบัตทุกกฎนะครับแน่หน่อันบัตเบากว่าตีนะหรือพ่อปั่นให่เสียโฉมนะครับอันบักรบอลรแต่ว่าเป็นกรรมหนักเลยนะครับว่าเวลากำจะให้ผลนิ่มหนักเลยนะขณะเรื่องใครฟังหมเรื่องพระนาโลหีนีนเจ้าหญิงโลหีนีนะครับที่นเอเอาหมามุ่ยไปโรยใส่คนอื่นใช่ไหมแค่นั้นแหละนะเขาอย่างมากแค่คันแค่เป็น ตุ ber, ama, ia, ่มอะไรที่นั่นก็หายได้นชครับของพญานาคเกิดขึ้นมาการมี็นคนที่มีโรคเรือนครับดูว่ากลับไม่ผลขนาดนั้นนะครับทายให้กลัวมาไม่เคยใส่เข้านะแต่บางเกิดมันต้องเป็นต้องอึ่นี้ถ้าตัดหูเขาหน่ยเกิดมาจะเป็นอะไรนะครับโอ้ยต้องพูดถึงเลยนะนี่ไกรรมนี้ให้ผลครับเขาเรียกว่านะ่ความชาดของบาปเวลาให้ผลนี่น่ากลัวมากนะครับแม้ทำเล็กน้อยนะ อาณบัต น, นะครับที่สูดไม่ต้องอ า, าบัตนรเมื่อที่สูบบางรูกลังแกผสมจะหลุดพน้นนะครับถ้ามีความประสมจะพ้นเนี่ยไม่ต้องอ า, าบัตรนะครับแล้วก็ที่สูบบ้าป็นต้นก็ไม่ต้องอ า, าบัตรนัถ้ท่านก็จะอธิบายนะถ้าเรามีความประสงค์จะพ้นนะครับก็ห้านะอย่าเข้ามาห้ามเข้ามาและเข้ามาโดนนะนะครับแล้วพอเข้ามาจริงก็เอาไมา้ฟ า, าใส่เข้าน่อครับเพื่อผสมจะป้องกันตัวนะ ไม่ได้ประสงค์จะฆ่านะครับก็เข้าตายขึ้นมาแล้วไม่ต้องอา่านบทเลยนะครับไม่ต้องต้องบทเลย <c oughs> ถ้าก็ยกตัวอย่างนะครับถ้าแม้พิสูจเห็นโจอก็ดีฆ่าศึกก็ดีมุ่งจะเบียดเบียนในระหว่างทางแต่ว่าแน่อุบาลศกเธอจะหยุดอยู่ในที่นั้นนั่นแหละนะครับอย่าเข้าม า, ย, ายังพูดพอนะมึงอย่าเข้ามาหน้่มวัวไม่ได้พูดอย่างนี้นะไอ้ในอุบาลศเนี่ยอย่าเข้ามาครับ แล้วปะหารผู้ไม่เชื่อปัน่นคากําลังเดินเข้ามาด้วยไม้คอนนะไม้ค้อนทุกเลยเขาบอกจะเข้ามาจะเข้ามานกะ็เข้ามาไม้ค้อนทุกเลยย <c oughs> หรือด้วยสตราห์นะครับออาดาฟันเข้าไปนะเพราะเขาพูดว่าไปวุ้ยแล้วไปเสียนะถ้าเขาตายเพราการประหานนะไม่เป็นอาบัติเหมือนกันนะครับเพราะมีความประสมเฉพาะ น, นะครับนี่นะแม้ในพวกเนื้อร้ายก็มีในนี้เหมือนกัน มีพวกเนื้อละแอนดิงใช่ไหมบางทีมันจะแย่งหาเรานะครับเวลามันแย่งที่ใส่เดียมมันจะกะเรานะครับแล้วก็ทำหน้านได้นะป้องกันตัวได้นะครับเนี่ยพิสูจบ้าเป็นต้นก็ไม่ต้องอาบัตนะครับถ้าต้องอาบัตสิขาตันี้มีองศาเหล่านี้คือหนึ่งพิสุโกรนะครับเนี่ยนี่ต้องเป็นอง์ุ่นนะแต่ว่าถ้าเท่าหย่อนๆอันแน่นๆนะไม่เป็นนะครับสองไม่มีความประสงค์ที่จะหุดพ้น สามตีอนุปสัมตีอุปสมบทตีผ้านนะครับคข้อวงศาก็ต้องแบบปางจิตตีนะครับสมุทามเป็นต้นเหมือนกับปฐมปราหีสิขาบทจำได้ทั้งหมดเลยปฐมปราหีข่าวการจิตนะครับถูกตอ้องมีจิตใช่ไหมโกรธแล้วกายตีนะครับ <c oughs> ต่างแต่สิขาบทนี้มีพิธานามเป็นทุกข์เลยครับจบการอธิบายปัญหาลักสิขาบท จะมาแ้างว่าต kind of ีโดยทําไม่ได้นะผมตีเน้นโดยธรรมตีเน้นเมตตาีเน้นเมตตาไม่ได้ไม่ผิดรัไจแทนถ้าเกิด้ตีมานเรื่อีตายะว่าท่ั่งในเรื่องเอี่กอ๋อแปบ้าน่าอาจารย์าจารย์กุศลกุศลไม่แม้ตอนนั้นนะมันถึงตีเนใช่ไมอะไรหว่าตีโยมตีสันอะไรก็แล้วแต่ใช่ไม จะมันตายออ้าเกรอว่าอ๋ออ๋อตัวท่านใช่ไหมอ๋อลงรำเหมินนอยู่เหนื่อนะไงแปะบาะแปลบายรเลื่อยงเงียนะม่สลยนอ๋องแรกจะพาขของในเนเครับในก็สวยคุณสมิงบานนตีไปแต่เขาี่ทาอย่างงี้บ่อยๆเลยครับต้องรู้ว่าเป็นอังบัตใช่ไหม แต่ก้อนเนี่ยที่มันจังปเป็นไม่ตีแล้วมันจะดีได้ยังไงมันก็มีท่องสื่อให้ไหมมันดือยก็แหลาต้องตีก็ใบอับายเลยไอ้เกิดใบอับัญชีหน่อยนะชีเน่ยเพราะตัวก็ทำอย่างเงื่อนคอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้นเป็นอนะับญชีนี่แลไม่ได้น่าไม่ต้องรู้เข้าเหมือนได้กระไ ก็ยังการไหวได้เป็นไรแล้วไม่มีห้ามนะครับอันนี้ห้ามา <c oughs> ไปรับของเข้ามา <c oughs> แล้วก็ห้ามร่วมทํากรรมต่างๆห้ามเลียงทําะครับ <c oughs> แต่ถ้านั่งวงยนกันได้เขาฉันไสงฆ์ทานท่านนั่งฉันว ง, น, ไไ น, ง, ง, งนี่ก็ไม่เป็นไรแต่อไปรับข้อก็แล้วกันอร่มใช้บุญได้ได้ได้ไม่ใช่ผู้ถูยงวันนะชายคาโน้ตชายคาก็ไม่เป็นไรนะครับ ไ ม, มไม่เหมือนผู้ถุงโยงวันนั้นนนะครับใช่ไปใชงของท่านกันแล้วกันแต่อเขาให้เราไปก่อนได้เอรับปก่อนยไม่ใช่ก็ได้อเอาแค่นี้ใช่ไหมจบนช่จบปะหาสินขาบท น, นั้วันนี้ก็แค่นี้ก่อนท่านสินนี้ ขอความเจริญงอกงอางในธรรมวินัยของพระสัมมาสัุทธเจ้าจงมี็ดท่านหลายด้วยการทุกท่านเถิด